อืแม้แนหลวงพ่อก็เฮ็ดทังสันโดยมากกิคือผู้ที่เอามากเกิคือนำใจทุกคนก่อนที่เฮ็ดอาหารมากใดต้องคิดแล้วคิดอีกพอ่อมมูกพอ่อมเตา่ากอ่อนมากเอามากใหา้หลวงพ่อก็ได้ตักเอาพุทอันละสอนและสอนใส่บาททั้งที่เบิ้งในบาทแม้ก็พอะแห้งแล้วกันไปแต่เฮ็ดยังไงกันนำใจของผู้ที่เอามากก่อนที่จะเอามากใดเนะ่ยคือคิดแล้วคิดอีก เพื่อจะทําบุญทําท่านผอมลูกปผอมเตาผอมขอบผอมขั้วถึงจะดีและบวเดีก็คืออาหารในครอบขัวของเขาเขากินจังสั่นว่าแล้วไปเนีเพราะนั้นมาหอดลงพอลงพอก็ต้องตักใส่บาตรผสมประสานกันกันว่าแนวอื่นข่อยบอเอาดอกเอาแต่แน่ดีดีข่อยอันเดียวพ่อแลหละนี้มันจะเฮตุอย่างไรมันหมด่ะผู้อื่นมากก็โอ้ยลงพอบรรันให้เฮาเฉยๆแต่ก็เสียความรู้สึก ยังลงพอไปบินธบาตยังจาบอลืมอยู่นอไปบาทเดี้มันคนมาไหลเดยคนมาหลพระมันก็หลบาทจัดก็จัดบเป็นระเบียบจัดแถวนะจัดแถวสบาทจัดบเป็นระเบียบจัสายใดตาสายใดวันออกไปเอาไปมาผ้าไกับปีนธบาตลัดหนารัดห ล, ล, ลังลาขันนรับเพื่แล้วนก็้ยจังใดก็ทีชันเอี๊ยมอยู่หลกมือนี่นะก็กลับเขบ้าไปพอรับกเข้าไปมหานยยมเขาเตยอยูุ่่นได้วันออกไป อยู่ผลวนไปมันไปบ อ, อดเขาเขาเขาเลยห้องตะโกนมากคู่บาอาจารย์เอ้ยสันมาบินธบาต ท, ทั้งพี่ดลสันผู้ขาจะเตรียมอาหารไว้เนี่เตรียมมัดมือมัดขึ้นบนไอ้ก่อนจมาสบาได้เนี่น <c oughs> เอ อ, เ, บบ เ, อเออจังไรจังไรก็มาหอดพี่แลสันมาปวดเดลสันมารับบินธบาตเดลสันก่อนจะมาไซบาได้เนี่ยผอมขอบผอมขวมัวมดบานมดเทือนสันเสียสิมาสซบาคูบาอาจารย์ อยางมารับท่านี้ก็บพ่อใดก็โพดไปแล้วท่นเขาก็เลยอืแม่นความเขาได้บาดเนี่ยแม่นความเขาเพราะนั่นพ่อใดพ่อปา ร, รีปนึงท่านหลวงพอ่อพ่อยางไดหลวงพอ่ออวดสาไปเวิ่เสียแต่มันวิ่งจนที่ตั้งตัวปไปยังคอยเพ่นวันออไปมันบาไหวแล้วนออไปกานณ์ว่าพ่อจะไหวยอยู่เนี่็ควรจะไปรับแท่จะท่านขอเขา อ, อ, อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือน้ำใจ ผู้ที่จะมาทำบุญแต่ว่าจะให้ชั้นให้ทุกคู่ทุกค น, กค น, ม, นมันก็บรรยายแหละแบบลงปูเขาลงปูเขาไปหอดดนๆยังค่อยไปทีนึงไปหอดโอ้ลงปูชั้นน้ำไม่ได้ชั้นน้ำสมไม่ไดอน้ำสมขั้นดีดในสมัยก่อนนะเอลงปูก็บอกว่าสมัยกูเป็นนมซูเป็นยังเองาไม้กูกินบ้ากูเถาเป็นแห้งอย จ, จะกินมะล่องเลยยังคอยเอาเม้า เฮ็ดแบบนี้ก็เฮ็ดแบบเย้ยกันตัวผู้เท่าก็จะวังฉันนะว่จะเกิดมื่ลงังคอยเอามาไห้กันเแมนความหุกปดูด้วยวะาพี่หน้าบึงลเลยพอเนี่ยลงพออินนี่ลงพอบอกว่าอันใดเนยมันแสบลูกหลานเน่ยเอามาไหา้ลงพอฉันเนวะ่ยบาหาลงพอเขาประย่กของไอซูไปแห้งโอ้ลงพออันนี้แสบเร็วมากให้มัลงพอมาฉันเลยอย่ยาเอาไมา้แตะแตได้ เ, เปไงลงพอพูดพอเข้าใจไหม ลูกหลานในตั้งอกตั้งใจนะสร้างสมคุณงามความดีดีแลมาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อวานเป็นวันสำคัญวันมาฆาบูชาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเมื่อคืนหลวงพ่อก็พูดธรรมะภาคปฏิบัติให้ฟังแต่พวกผู้ใดไมได่ได้ปฏิบัติก็ฟังฟังแล้วก็คงจะสงสัยแต่ทางว่าพวกเราปฏิบัติไปตามที่หลวงพ่อพูดตามขั้นตอนแล้วก็ คงจะหายสงสัยไปเรื่อยๆนะตอนนี้ธรรมะในหลักของพุทธศาสนาแต่เหมือนจะพูดก็ว่าให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแต่เราเป็นครวาต์ล้วก็โอ้ยไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงเราเป็นครวาต์หน้าที่การงานความรับผิดชอบป้านเรือนลูกเต่าเล้าลานเราต้องรับผิดชอบอันนี้ใช่ถูกต้องอ หลวงพ่อไม่เถียงว่าถูกต้องนะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในใจส่วนลึกแล้วมันต้องคิดดีว่าถึงข้าจะรับผิดชอบขนาดไดก็าตามอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งทั้งหมดนะต้องคิดทิ้งทวนอย่างนั้นเอาไว้อีกสักวันหนึ่งข้าถึงจะรับผิดชอบขนาดไหนข้าจะรักขัดนาดไหนข้าจะเกลียดขนาดไหนข้าจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายจะต้องหนีจากกองเขาเอ่า อันนี้ก็ต้องคิดเอาไว้เพราะงั้นจ้ะต้องคิดเอาไว้ในใจอันนี้เป็นภาษาใจของตัวเองแต่ภาษาทางนอกเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานเราอยู่ในหน้าที่ไหนสถานะไหน เ, เราต้องรับผิดชอบอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้คือความถูกต้องแต่ว่าในใจส่วนลึกแล้วถึงจะรับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะทาหน้าที่ดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะ แต่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องแบมือวางมื อ, อขนาดน้ำเขาออกมาลดมือก็ยังยังไม่อยู่สักหยดในมือว่าือนนไหลออกหมดเหมือนนเถอะเราต้องคิดอย่า ง, ง น, นั้นพาะนั้นถ้าเราทำใจอย่างนั้นได้เลยท่านี่ใจของเราจะสบายอ ะ, อะไรก็ได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่โมโหโธโสแต่ว่าความถูกต้องหน่ย อยู่ในใจของเราอย่างมั่นคงเราต้องมีจุดมุ่งมั่นจุดยืนของเราเราจะมุ่งหวังมุ่งมั่นต่อศีลธรรมอย่างไรอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่ลงตาท่านก็มุ่งมั่นเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ของท่านเพื่อภาวนาของท่านไม่เป็นอย่างอื่นคือจุดยืนเหมนั้นแหละป น, นพวกเราทุกๆคนเหมือนกันนะนะ อถึงยังไงหน้าที่การงานก็ทําไปยังให้ขาดตกปกพ้องแต่ศีลธรรมในจิตใจก็ต้องคิดไว้อยู่เสมอสั่งสมไว้อยู่เสมออให้ฟังไว้อยู่เสมอหลวงพ่ออินเตือนนะหลวงพ่ออินเตือนตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนะเออต้องเตรียมมาไว้ทางจิตโอ้ตายแล้วศูนย์มันจะไม่ทําความดีได้อตายแล้วศูนย์ไปทําทําไมตายแล้วมันศูนย์แต่มันไม่ศูนย์เลยทําไง เที่หลวงพ่อพูด่ะพระพุทธเจ้าพาพิสูจนมาแล้วพระพุทธเจ้าก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะตายแล้วเกิดตายแล้วสูญสมัยนักถกเถียงกันพอลังมากันนะพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพดูใจเมื่อใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วปุบเพนวาสารุสติญาณอย่างที่หลวงพ่อเล่าแล้วเราอีกพูดแล้วพูดอีกก็บพ่อเนี่ยเอพอตายแล้วไม่สูญผลนั้น พวกเราท่างว่าคิดว่าตายแล้วไม่สูญจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจสิ่งที่มันชั่วอย่าทำไม่คิดไม่ทําไม่พูดนะจะน่าก็กายวาจาใจของเราก็เป็นดีขึ้นเรื่อยๆแหละทะ่านนี่สั่งสมแต่คุณงามความดีจิตใจของเราก็ชุ่มชื่นเบิกบานมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้เป็นคําพูดคําสั่งลูกหลานนะออกตนยาโจมฝังฝังเอาไว้แล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความสะดวก ปลอดภัยกลับไปถึงบ้านแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีบําเพ็ญบุญกุศลต่อไปอวันไหนว่างโอกาสว่งวางๆขึ้นมาปฏิบัติธรรมมาวัดมาว่ามารักษาศรรีลมาภาวนาหาความสงบอยู่ในวัดนะอ ม, มาชาร์จแบตเตอรี่ว่างั้นเถอะนะอพอไปทํางานแบตเตอรี่มันหมดกลับมาวัดนะมาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่นะเ อ, อันรับพรนะนั้นจะในอนุโมูธนาให้พร สัพโรขวินิมุตโตสัพพานตาปา